ต่อเนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวอะไรให้ลูกหลานได้ฟังประจำวันพระวันนี้เป็นวันพระใหญ่วันเป็นวันพระเดือนสิบเพนอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งทางพี่น้องทางอีสานของพวกเราเป็นวันทำบุญประจำประจำปีพูดอย่างนั้นได้เดือนเก้าดับเดือนสิบเพนเป็นที่รู้กัน สองวันนี้เป็นวันทําบุญอุทิศสวนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงสาคขาญาติญาติพิษสหายเจ้ากํานายเวรทั้งทำกันมาตั้งแต่ดึกตําบรรทั้งแต่นานเท่าไหร่ไม่รู้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราพาทํากันมาเพราะฉะนั้นพวกเราก็ถือสืบทอดกันไปเรื่อยๆเหมือนกับชาวจีนเขาไหว้เจ้า หรือไหวบ ร, บรนพ่อระหลุษอย่างนั้นแหละอันนี้กับพวกเราก็คล้ายๆนั่นแหละแต่ว่าพวกเราทำบุญทำบุญอุทิศส่วนกุศลเพราะพวกเรานับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านาได้ตรัสไว้ในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้ว เ, เราทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านาทําบุญอุทิศส่วนกุศลคืออะไรคืออย่างนี้แหละ ปีหนึ่งพวกเราก็ไม่ลดไม่ละไม่ลืมวันเดือนเก้าเพนเดือนสิบเพนเราก็ทําบุญตักบาตรอย่างนั้นกับน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ของพวกเราเพราะว่าพ่อแม่ของพวกเราได้ทิ้งมรดกให้พวกเราไม่มากก็น้อยแต่ก้อนใหญ่ๆก็คือเนี่ร่างกายตั้งแต่หัวของเรานะ่ยจุดเท้า น, ะนี่แหละมรดกของพ่อแม่ของเราที่มอบให้แก่เราเราจะว่าเราไม่ได้รับมรดกไม่ได้นะทุกคนนะ ต้ได้รับมรดกจากพ่อจากแม่ก็คือร่างกายของเราทุกส่วนของร่างกายเราได้มาจากใครนะได้มาจากพ่อจากแม่เพราะฉะนั้นมรดกชิ้นนี้ยังอยู่กับเราอยู่เพราะฉะนั้นเวลาพ่อแม่ล่วงรับดับขันไปแล้วพวกเราปีหนึ่งก็น่าจะมีอย่างนี้แหละควรจะใส่บาตรทำบุญไม่ว่าใครอยู่วัดไหนอยู่ใกล้วัดไหนอยู่ในชุมชนไหนอยู่ใกล้ที่ใดก็ไปทําบุญกับวัดนั้น จากแล้วก็ให้อุทิศ ส, ส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายอันนี้คือเป็นประเพณีถือกันมาตั้งแต่โบ ร, โบราณตั้งแต่ดึกตําบรนมาแล้วเพราะฉะนั้นมาถึงยุคของพวกเราก็าเห็นว่าประเพณีเนี่เป็นประเพณีอันดีงามไม่ให้ลืมบุญคุณของพ่อของแม่เป็นประเพณีที่่จะสืบท อ, อดต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าดวงวิญญาณของพ่อของแม่ของพวกเราท่านก็รู้ว่าวันนี้เป็นวัน เดือนสิบเพนนะวันเดือนเก้าดับเดือนสิบเพนท่านก็เคยทํามาก่อนก่อนเราแล้วนะท่านก็เคยทําบุทิศสวนกนุศลให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของท่านแล้วนะเมื่อท่านล่วงลับไปถ้าว่าท่านตกทุกข์ได้ยากถ้าท่านไม่ตกทุกข์ได้ยากก็ไม่เป็นไรท่านก็ไม่ต้องคิดถึงลูกถึงหลานนะแต่ถ้าว่าท่านตกทุกข์ได้ยากขึ้นมาเนี่ยท่านก็ต้องคิดระลึกถึงบุตรลูกหลานคนเราก็เหมือนกันไม่ว่าใครนะ ถ้าอยู่สนุกสุขสบายก็ไม่ค่อยคิดถึงคุณน้องคุณนี้ไม่เค่อยคิดถึงญาติไม่ค่อยคิดถึงพ่อแม่ไม่ค่อยคิดถึงผู้มีผู้มีอุปการะคุณเท่าไหร่พอมีความสุขกันแล้วแต่เมื่อตัวเองได้ตกทุกข์เมืออ่อไหรเมื่อนั้นละ่ะลำเลึกถึงอพ่อแม่ลูกหลานใครน่าจะช่วยข้าพรเจ้าใดในคราวนี้นี่ก็เหมือนกันน่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราถ้าว่าท่านตกทุกข์ได้ยากท่านก็ต้องคิดถึงลูกถึงหลาน ของท่านเหมือนกันท่านก็เออลูกหลานวันเนี้ยวันเก้าดับเดือนสิบเพ็นเนี่ยลูกหลานจะทําบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้ข่าบ้างหรือเปล่าน้าเนี่ยท่านก็ต้องล้ลึกถึงเพราะว่าท่านตกทุกข์ไดยากนะเ่ยเพราะว่าการตกทุกข์ไดยากคำนี้มันมันชุดแท้แต่กล้ำมันจะให้ผลในเหลี่ยมไหนท่นเะน่ยบางทีก็ให้ผลในเหลี่ยมสุพบางทีเหลี่ยมบางครั้งก็ให้ผลในเหลี่ยมทุกเนะ่ะในเหลี่ยมทุกนะี่แหละ ในเหลี่ยมสุกก็ไม่เป็นไรในกลัมให้ผลในเหลี่ยมทุกเนี่ยก็ต้องระลึกถึงผู้มีผู้มีทีเ่เป็นลูกเป็นหลานที่จะช่วยเหลืออะไรได้บ้างไหมนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนนี้แหละส่วนที่พวกเราจะต้องทำบนอุทิศสวนกุศลให้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายในวันสำคัญเช่นนี้นะในเมื่อท่านม า, ารับส่วนบุญสวนกุศลท่านก็ไม่ผิดหวังกับลูกหลานที่ได้ทาบุญอุทิศให้นะ แต่ทำว่าพวกเราไม่ได้ทำบุญเสเลยเนะี่ยลูกหลานก็เฉยเฉยเมยเมยฮ้เห็นแต่คนอื่นได้รับฮ้พี่น้องปู่ย่าตายายของเราเดินมาแล้วก็ลูกหลานไม่ทําบุญให้ท่านก็ผิดหวังกับลูกหลานของท่านเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุท่านนะอยู่ในสถานที่ใดไม่ใช่อยู่ใกล้วัดของหลวงพ่อในะอยู่ที่ใดก็ตามในวันเช่นนี้ควรจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายา ย, าย เพืให้ท่านได้รับสมบุญณ์ส่วนกุศลเพราะร่างกายของเราเนี่ยมรดกของเราบางทีกับพ่อแม่ก็ทิ้งทิ้งที่ไร่ที่นาที่รู้ที่สวนที่ทํามาหากินให้แก่พวกเราเแล้วก็ทิ้งกระทางให้ร่างกายของเราเลี้ยงลูกหลานเลี้ยงลูกของเราเลี้ยงตัวของเราจนใหญ่โตถึงขนาดนี้แหละอันนี้แหละคือเป็นผู้มีพักคุณอย่างยิ่งเพราะนั้น คนจีนเรือกใครก็ตามเขาจะต้องไหวบรรพะบุุษผู้มีอุปกราระคุณไอ้พวกเราก็เช่นเดียวกันนี่แหละไพวกเราก็ควรจะไหวไอ้ควรจะกราบควรจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนของพวกเราเตามแนวแถวของพุทธาศาสนานะเนื่อกวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งอย่าพวกเราจะปล่อยปลาละเลยนะออย่าปล่อยปลละเลย ในการสร้างบุญสร้างกุศลเพราะว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยหลวงพ่อย้ําแล้วเตือนอีกว่าเป็นของที่ไม่จิรังถาวรถ้าพวกเราคิดตะลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะคนนั้นจะไม่ประมาทนะหลวงพ่อว่านะจะทําสิ่งไหนก็ทาด้วยความตั้งอกตั้งใจทำํำด้วยความไม่ประมาทเพราะว่าเราพวกเราจะต้องพึ่งพาอาศัยบุญกุศล ไปสู่ปารโลกภายภาคหน้าแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้คิดกินเป็นวันวันอยู่เป็นวันวันไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีคิดว่าในใจก็คิดว่าตายแล้วศูนย์นรกสวรรค์ไม่มีอย่างเนี้ยแต่มันไม่ศูนย์ล่ะทำยังไงนรกสวรรค์มีทำยังไงสิ่งเหล่านี้ต้องระมัดระวังไว้เหมือนกันนะอย่าปล่อยปลาละเลยจนเกินไปให้เชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่อพระธรรม ให้เชื่อพระสง์ให้เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติอดีปฏิบัติชอบเอาไว้ก่อนจะดีกว่านะะเพราะว่าท่านได้ผ่านมาแล้วท่านได้ศึกษามาแล้วท่านได้ปฏิบัติดูแล้วท่านเชื่อมั่นแล้วออืที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นหนึ่งไม่มีสองถูกต้องอที่ว่าสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าอะอย่าทํานะถ้าทําคืนทําลงไปก็ เดือดร้อนวุ่นวายแนะ่อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้สมาทานสินเมื่อกี้เนะ่ะพระพุทธเจ้าว่าอยากฆ่ากันนะั่นท่านพวกเราไปฆ่ากันหน่อยสิไปฆ่าคู่ฆ่าคนฆ่าสิ่งที่เขาหวงแหนน่นสิเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดนะจเขาไล่ล่าไล่จับเราเข้าคุกเข้าตารางเนไหมเพราะอะไรเพราะว่าเราไปทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าห้ามแล้วนะเป็นธรรม ถูกต้องอเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะขอให้สร้างบุญสร้างกุศลแต่ถึงยังไงก็ตามคนเราเกิดมาไม่ใช่ว่าจะทำบุญกุศลมาตลอดก็ไม่ใช่บางครั้งมันก็ถลําไปทำแนวทางความชั่วอีกเหมือนกันและความชั่วกับความดีตอวนี้แหละมันเหมือนมะมาพร้าวสองห น, อง น, น่อเหมือนันอมะพร้าวสองหน่อเกิดขึ้นมาในลูกเดียวกัน แต่ถ้าเราจะส่งเสริมหนอไหนสิถ้าเราจะส่งเสริมหนอบาปเราก็ทําบาปให้มากหนอบาปก็งอกเงยสูงกว่าหนอบุญแต่ถ้าเราพวกเราส่งเสริมในหนอบุญมีแต่สร้างบุญสร้างกุศลหนอบุญก็งอกเงยยาวกว่าหนอบาปเพราะฉะนั้นมันอยู่ทั้งสองบาปกับบุญมันอยู่ในใจของพวกเราแต่มันล้างกันได้ไหมหลวงพอ่อบาปกับบุญทําบุญล้างล้างบาปได้ไหม ถ้าจะว่าล้างบาปได้ก็ไม่เชิงถ้าจะว่าไม่ไม่ได้ใชเลยนะก็ไม่น่าจะไม่น่าจะไม่น่าจะถูกต้องนะแอมมันก็ถ้าวัดถ้าทํามากแหมถ้ากลัมชั่วมันจะหมดอยู่แล้วนะมันคงจะหมดได้นะเพราะว่าทํากลัมดีล้างนะแต่ถ้าว่ามันยังหนาแน่นอยู่นะเหมือนกับอะไรเหมือนกับสิ่งสกรปรกปฏิกูลยังหนาแน่นอยู่ น้ำเราไปสัดหน่อยเดียวเนะี่ยมันก็ล้างไม่ไดนะ้แต่ถ้าว่ามันสิ่สงปฏิกูลมันมันน้อยมันน้อยลงไปแล้วนะเรามีน้ํามากเนะคือบุญกุศลของเรามากอาจจะซ่าล้างไปเนีมันก็จบไปนะอย่างที่ในพระไตรปิฎกท่านพูดเนีท่านกล่าวเอาไว้ในพระไตรปิฎกอันนี้เกิดน่าจะนํามากล่าวให้คณะศรทา ญ, ญาทโยมลูกหลานได้ฟังได้ศึกษานะในกรุงกบิลพัฒนะ์เนี่ย กรุงก บ, บิ่ลพัฒน์คือกรุงของพระพุทธเจ้านะ่ะประเทศของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงก บ, บิ่ลพัฒน์พร้อมกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ไงพอเสด็จกลับไปแล้วศรัทธาญาติโยมเขาก็ต้อนรับพี่น้องของพระองค์ต้อนรับอย่างหนาหนาแน่นมาทุกหมู่ทุกเหล่ า, างั้นแต่นี้น้องสาวของ พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยคือพระมหานามมหานามได้เป็นเป็นผู้ครองราชแทนพระพุทธเจ้านะอแล้วก็มีพระอนุรุตน้องของมหานามะเป็นน้องของมหานามอีกออกบวชแต่สําเร็จเป็นพระละหัน์เนี่ยแต่ก็มีน้องสาวอีกคนหนึ่งชื่อว่าโรหินีนางโรหินีเจ้าหญิงโรหินีมันเป็นน้องสาวแต่นี้คนนั้นไม่มาไม่เห็นพภาษาลิบุตพระ อนุรุทธะที่เป็นพี่ก็เลยถามว่าเอาทำไมโลหินีจึงไม่เห็นมาทุกคนเห็นมาพร้อมน้ากันหมดเนี่ยเขาก็ตอบว่านางโลหินีเป็นเออเป็นโรคผิวหนังไอไม่กล้ามาพระอนุรุทธะที่เป็นพี่ชายก็บอกว่าเออปะไปบอกเขามาปะบอกบอกโลหินีมาอายยังไงมาหาเราซิ ตอนนี้นเขาเขาก็ไปบอกนางโรฮินีก็ใส่ชุดคลุมตัวมามากันเลยบอกน้องหญิงโรฮินีทำไมไม่มาอารู้พี่โอ้ยค่าค่าหนูอายลักษณะอย่างนั้นหละประเป็นโรคผิวหนังไม่ออกไม่กล้าออกสู่ชุมชนสังคมเหือนนพระอนุรุทธะท่านก็บอกว่าเอา้วทำบุญใช่ปะ่ะ เ, เธอมีของที่จะทำบุญไหม ไม่มีแล้วเจ้าข่าเดี๋ยวนี้เงินไม่มีเห้อไม่มีเจ้าข่าเครื่องประดับลปล่าท่านคณะถามพี่ชายถามถึงเครื่องประดับเลยนะเครื่องประดับมีไหมมีเจ้าข่าจะขายได้เท่าไหร่ขายได้ประมาณหมื่นแล้วหมื่นกว่ากว่าเลยละเจ้าขาเออนั่นล่ะขายเครื่องประดับนั่นนหะสร้างสลาหอฉันพระนะสร้างสลาหอฉันพระ แต่นี้กับนางก็ปฏิบัติตามเ อ, อพอไปกัด จ, จะให้เมื่อขายแล้วนะ่ะจะให้ใครเป็นคนสร้างแหละเจ้าค่ะะท่านก็ถามอีกนะน้องสาวท่านนะเมื่อขายเสร็จแล้วจะให้ใครเป็นคนสร้างให้แหละเจ้าค่ะพระอนุรุทธาท่านก็มองดูพระญาติพระวงศ์ที่นั่งนั่งเออพวกเราทั้งหลายเป็นภาระให้หน่อยนะได้ไหมเป็นภาระให้โลหินีได้ไหม ญวติโกโหติกาว่าเออได้นางก็เลยออกไปก็เลยไปขายจริงๆมันนะขายเครื่องประดับตนเองได้เงินมาหมื่นกว่าบาทก็เลยมอบให้คณะนะที่นะ่ะผู้จะดูแลท่านก็สร้างศาลาขึ้นมาหลังหนึ่งทาทําเป็นสองชั้นนะพอสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์มาฉันอั น, นพอมาฉันพระพุทธเจ้าฉันพระทหารเส็จแล้วว่า อันนี้เป็นอันนี้สงสานของใครพุทองค์ถาม เ, เขาก็ไปเรียกนางโลหินีมาเขาก็อายหลบๆซ่อนๆอยู่เหมือนกันมืนกัน ะ, อะบอกว่าของนางโลหินีทำไมทาไมจึงหลบซ่อนเพราะเป็นโรคผิวหนังอายนไม่ไม่กล้าเข้ามาสู่สาธารณะชนพราะพุทธเจา้าฉันพัะทหารเสร็จแล้วทัางบอกว่าโลหินีเธอรู้ไหมว่ากล่มของเธอในกล่มเรื่องอะไรเธอจึงเป็นอย่างนี้ ที่เป็นโรคผิวหนังนี่เพราะอะไรไม่รู้พระเจ้าข่าพระพุทธองค์ว่านี่แหละกรรมเก่ากรรมเก่าในอดีตเนี่ยแต่นี้พระสงฆ์ทั้งหลายที่นั่งอยู่บริเวณนั้นคณะสัตยา ญ, ญาิโยมนั่งอยู่ในบริเวณนั้นก็เลยถามทูล ถ, ถามพระพุทธเจ้าว่ากรรมอันใดหนอที่นางโลหินีทำที่เป็นโรคผิวหนังนี่พระเจ้าข้าพระพุทธองค์บอกว่าในอดีตชาตินางโลหินีเนี่ย เป็นอัคคมเหตสีของพระเจ้าพารานสีพระเจ้าพมทัตเนีกรุงพารานสีแต่เป็นที่ยอมรับโลกเป็นที่รับของพระเจ้าพารานสีแต่พระเจ้าพารานสีไปเอานางลำมาถึงมาร้องลำทําเพลงให้ฟังไปเห็นติดใจในางลำนางลำมักมานางก็ร้องลำทําเพลง พระเจ้าพาระนรินรสีก็หลงหลงไหลค้างไคล้ในหญิงฟ้อนลำคนนั้นอีกทีนี่แต่นางอัคคามเหสีเนี่ยเกิดทั้งโกรธทั้งอิจฉาทีนี่ทั้งโกรธทั้งอิจฉาน า, นางนางลำคนนั้นเหมือนกนเถอะก็เรียกบริวารมาต้องเอาให้มันเข็ดเข็ดว่านางลำคนเนี่ยทาไมมันลำหน้าเหลือเกินลักษณะอย่างนั้นแล้วเนี่ยไดย้นางอัคคามเหสีเนี่ยก็เลย ไปเอาไอ้นั่นแหละหมากเตาล้างน่ะพวกเราก็คงจะรู้นะหมากเต้าล้างที่มันคันๆอยนะ่างนั้นน่ะแล้วก็หมาโม้ยเหมือนกันมมกน่ะตําแย่หน่ะอีกเหมืนกันน่ะมันสองอันหนี่ยมันพอแรงนะได้เหมือนกั น, นะทั้งหมาโม้ยทั้งตําเอี่ยทั้งเตาล้างเ น, ะ น, ะนะนะี่ยเหมือนกันน่ะเอามาเสร็จแล้วก็บบดแล้วก็ไปโปลยโปรยลงที่อที่นอนที่นั่งของเขาน่ะ่นะผลที่ดีก็นี่นะ่ะเอาหมากเตาล้างเนะี่ยถ้าทาทาทานะ ในเครื่องประดับเครื่องอะไรที่มันจะนั่งที่มันจะจับขึ้นมาเอให้มันคันเนะนี่ยงั้นเถอะทีแรกเขาไปวางวางเสร็จแล้วเนะี่ยบอกให้นางลับมาเนะี่ยนางลับมันก็ไม่มันก็ซื่อชื่อใช่ไหมพอเข้ามาเพอมากับพระแม่เจ้าที่ไหนได้พอมาหาเท่านั้นแ่ะโอ้ถูกหมาเตาล้างอ่หมาเตาล้างที่มันงานกับคันยิ่งกว่าอะไรเนะ่ย แล้วก็ฉันก็ถูกหมาโม้ยไปนั่งที่นั่งอีกถูกหมาโม้ยอีกนี่ถูกมักตําแยงมันนั้นแหละขั้นยิ่งกว่าอะไรทลนี่นางนั้นโอ้พอเนี่ยก็หัวเราะท่นี่เยเห็นเขาได้ทุกข์ลงหัวเราะเขานี่แหละจากนั้นนางลรำคนนั้นก็ขั้นๆผมไม่ได้พูดอีกต่อไปท่านบอกว่าอะไบาปกล่ำอันนั้นละ่ะที่ไปกันแกล้งเขาด้วยอารมณ์โกรธและอารมณ์อิจฉา อิจฉากับความโกรธไปพร้อมกันและก็ททำให้เขาอับอายขายหน้าและก็เขาได้รับทุกทนทุกทรมานเพราะการกระทำของตนเองนี่แหละเธอจึงได้รับบาปกรรมเกิดมาพบนี้ชาตินี้เธอจึงเป็นโรคผิวหนังในร่างกายของของเธอเพราะบาปกรรมมันนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าจุดตูปปาตยานการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายใครทากลัมอันไหนไว จะได้รับผลกล่านั้นที น, นี้นางนางก็ยอมรับว่างั้นแหละจากนั้นพระอนุรุทธะท่านก็บอกว่าน้องหญิงเพราะเป็นน้องสาวของท่านเนี่ยน้องหญิงตั้งแต่ปัจจุบัเป็นต้นไปนะเมื่อสร้างอาคารที่ฉันของพระเสร็จแล้วให้เธอเป็นผู้ปฏดกวาดมาปฏดกวาดแล้วก็ตั้งน้ำน้ำดื่มน้ำใช้น้าดื่มที่ฉันของพระทุกวันทุกวันนะ เดี๋ยวเธอจะหายเองนี่จากนั้นก็นางก็ได้ทำจากนั้นพระพุทธองค์ได้มาแสดงธรรมแสดงธรรมอีกนางก็ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้สําเร็จพระโสดาบันนะนางได้สําเร็จพระโสดาบันจากนั้นแผลของนางนี่ก็หายหมดเลยเพราะงั้นเธอด้วยอานิสงส์การสร้างศาลาแล้วก็ดูแลศาลาปฎกวฏทําทความสะอาดศาลานี่แหละเป็นบุญเป็นกุศล น, นะ อันนี้มาในพระไตรปิฎกนะที่หลวงพ่อได้เล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่ปลาําปลานะเป็นน้องสาวของพระอนุรุทธะพ่อของพระอนุรุทธะก็เป็นน้องชายของพระพุทธเจ้าชื่ออมิตโตทะนะพระบิดาของพระพุทธเจ้าชื่อชุดโททะแต่น้องชายของพระพุทธเจ้าของพระชุดโททะคืออมิตโตทะเนี่ยอันนี้ก็คือในกรุง บินละพัดนี่แหละถ้าจะว่าไปแล้วก็ทำบุญล้างบาปได้ไหมหลวงพ่อก็ว่ามีส่วนเหมือนกันเพราะว่านางตั้งอกตั้งใจทำบุญกุศลสร้างบุญสร้างกุศลจริงๆแล้วกุทิดถึงเจ้ากรรมในเวรอย่างที่ว่านั่นนะพ่อตัวเองไปทำไม่เก่ยเขาด้วยความโกรธ ด, ด้วยความอิจฉานางลํานะพอมาเกิดมาพบนี้ชาตินี้ก็เลยเป็น เอลกผิวหนังเกลื่ไปหมดหน้าเกลียดมั้งนั้นแหละเพราะบาปกรรมตัวนั้นนี่แหละเอสรุปแล้วก็คือว่ากรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นมันจะให้ผลเดือดร้อนเมื่อภายหลังทึ่เราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนีเมื่อทําไปแล้วนะกรรมชั่วจะนั้นจะตามมาเมื่อภายหลังเพระรัตนขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะ ให้สังสมแต่คุณงามความดีคิดดีทำดีพูดดีนะแล้วก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญนะแล้วก็พร้อมกันอย่าลืมอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์ก่อนรับก่อนนอนทุกวันเพราะเราเป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทอย่าไปแบบกูบาจานหลวงปู่หลวงตาไวอย่าไปนอนควาย น, ะนอนควายคือนอนล้มตึงเลยนะันงถ้านอนคนหนึ่ง เวลาจะนอนก็ต้องไหว้พระและลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์นาลึกถึงคุณบิดามารดาซะก่อนยังค่อยหลับค่อยนอนอันนี้เป็นชริเป็นมงคลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่พวกเราไม่กล่าวไม่ไหว้พระเนะี่ยไม่ดีนะห่างไกลจากพระไตรสรณครผีสางนางไม้เขาเข้ามาใกล้ได้ง่ายๆเหมือนกันนะมีอะไรอยู่ที่ไหนก็ามาหาเรานั่นแหละเพราะอะไรเพราะเราไม่มีรั้วไม่มีเกาะไม่มีที่กําบัง ไม่มีรั้วกัน้นถ้าเรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นเกาะเป็นที่กำบังแล้วผีสางนางไม้ผีปอบผีกาอะไรเข้ามาหาเราไม่ได้ทั้งนั้นแหละเพราะอะไรเพราะผีทั้งหลายก็กลัวกลัวพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยพระรัตนตรัย น, นั่นคืออะไรคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้หมดจดจากกิเลสเป็นที่ยอมร่ายเป็นที่ยอมรับเป็นที่กราบไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายน่ยพระพุทธเจ้า พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นนิยานิกธรรมเป็นที่ยอมรับของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระอริยะสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่ยอมรับของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเฮ่เพราะนั้นเทวดาที่ว่พวกสิ่งที่เป็นอาภ ม, มอภมกมคนะเนีที่ว่าเป็นพวกที่เป็นกายสิทธิ์ที่มันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมสงค์ในจิตในใจก็กลัวแล้วงั้นท่ะ แอกลัวพระรัตนตรัยเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะก่อนรับก่อนนอนยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งผีสางนางไม้เข้ามาไม่ถึงทางนั่นแหละแต่พวกเราไม่กราบไม่ไหวอะไรนั่นแหละสิ่งอัปมงคลทั้งหลายจะเข้ามาหาพวกเราได้ง่ายเพราะพวกเราไม่มีรั้วกั้นไม่มีรัวร้วกัน้นไม่มีที่กำบังแไม่มีซึ่ง จิตเหนียวทางด้านจิตใจของพวกเราเพรา ะ, ะนั้นขอให้คณะจัตยา ญ, ญาติรวมทุกหมู่ทุกเหล่านะที่ได้ยินเสียงของหลวงพ่อประกาศไปนี้บอกกล่าวไปนี่นะ่ะขอให้ทั้งอกทั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าตั้งอยู่ในความประ ม, มาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ให้มีน้ําใจต่อกันอยู่ด้วยกันแหมอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้าพวกเราตายไปแล้วไม่มีใครที่จะหามพวกเราไปทิ้งนะผู้อยู่ใกล้เราผู้อยู่ใกล้เรานั่นนะ่ะแหมมีอะไรก็ต้องเรียกร้องหากันนะอยู่ใกล้เรา ไม่ใช่ไปอยู่ใกล้กันกับผิดทะเลาะวิากันไม่ใช่นะไม่ถูกยังงั้นอควรจะมีน้ําใจต่อกันมีความเ อ, อื้อเฟื้อเ อ, อื้ออารีต่อกันมีการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันถ้าพวกเรามีน้ําใจต่อกันอย่างนั้นแล้วเราอยู่ที่ไหนก็มีแต่พี่มีแต่น้องมีแต่วงสาคนาญาติดจะคิดทําสิ่งไหนเราต้องคิดซะก่อนว่าเออถ้าเราทําไปนี้เนะี่ยมันจะเบียดเบียนเยนขา น, าน้าอย่างพวกเราคิดจะขายยาบ้ายาม้าอย่างนี้ยนะ คิดถึงบุตรแบบพูด ง, ง่ายๆนะขยาบ้ายามาคัญชายาฝินอย่างนี้ยเออถ้าเราขายไปแล้วเนี่ยถ้าไปถูกลูกของเราถ้าลูกของเราติดยาบ้ายาม้าเป็นยังไงเราดีใจไหมโอ้เสียใจถ้าเป็นถูกลูกคนอื่นละ่ะเขาจะดีใจไหมโอ้ยเขาก็เสียใจเพราะฉะนั้นคิดตัวนี้ก็คือเขาเราถ้าเจอเราเราก็ไม่เป็นที่พอใจถ้าไปเจอเขาเขาก็ไม่เป็นที่พอใจโอ้ยอย่าไปเอาเอหน้าเราเ อ, อ้ย ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนี่แหละต่างคนต่างมีน้ําใจต่อกันอย่างนี้แหละหลวงพ่อว่าพวกเราก็จะร่มเย็นเป็นจุกท่วนหน้ากันในชุมชนของพวกเราแต่ว่ามีแต่เอาอย่างเดียวโดยที่ไม่คิดไม่อ่านอะไรเลยเนะี่ยเดือดร้อนนะพี่น้องลูกหลานชะตาญาติโยบทุกหมู่ทุกเหล่านะต่อนี้ไปพระสง์จะอนุโมทนาให้พรที่ส่วนกุศล น, นะวันนี้หนะ้าเป็นวันสําคัญ